คุณพูดเรื่องอะไรคุณมารู้เรื่องส่วนตัวฉันได้ไงแข่งเรื่องงานแพ้ก็เลยกะจะเปิดเกมใหม่เรื่องผู้ชายกันหรอคุณสลดยชัดที่พี่ทิพย์บอกเธอเขาก็พูดถูกนะเมื่อก่อนฉันไม่เปิดใจให้ใครเพราะว่าฉันอยากจะทุ่มเทกับงานที่หมอแม่ฝากไว้ให้เต็มที่แต่ว่าตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจลนะฉันเปลี่ยนใจเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วหลังจากที่คุณเปิดสงครามแย่งผู้กับฉัน เมื่อสักครู่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรออีกแป๊บนึงนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเขาจะมาพบกับนี่ Center Point at Central World เนี่ยนะคะจะจัดขึ้นที่ชั้น7แล้วก็ชั้น8นะคะจะมีกิจกรรมล้ำๆให้พวกเราเล่นกันเยอะแยะเลยเป็นเรือแล้วจ้าเพือเราเรือก็ชิปไงชิปก็แบบคุ่ที่เลอย่างเงี้ยก <c oughs> ็น่าหนะสิถึงขั้นติดทเทนทวิตเตอร์เลยนะเว้ยแรงเวอรแรงมากมแรงพอๆกับ ข่าวของดีไซเนอร์ดาวรุ่งของ The Shoes เลยอาทิตย์นี้นะคะเราจะพาคุณเพื่อ น, นไปดูทุกากิจกรรมเพื่อเพื่ออ่นช้ากันค่ะเราไปหาผู้เข้ารกันเลยดีกว่าน้เริ่มจากนะคะ Center Point a t c e n t r ซ็นเตอซึ่งเป็นผู้จัดงาน Centerpoint i n d อินดี้อทที่นี่เลยคะ่ะเียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันอุ้มชูกันไว้เหมือนดังที่ได้เคยอุ้มชูกันมาแต่การก่อน เมื่อรวมกันดังนี้ก็จะเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่จะสามารถฉจัดอุปสรรคตัดข้องทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุด พี่สาวฉันติดค้างอะไรคุณอยู่บ้างต้องทอํายังไงคุณถึงจะปล่อยเขาไปฉันไม่ได้อัดเสียงหรือโทรหาใครทั้งนั้นคุณก็เห็นแล้วนี่ฉันขอคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาแต่ฉันก็หวังว่าคุณจะแมงพอที่จะคุยกับฉันอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันอย่ามาใช้วิธีโฟกปลแบบนี้กับลูกศิ์ของฉันนะครอบครนี้ก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแกไม่มีสิทธิ์มาทำลายความทรงจําของเขาที่มีต่อเต็มที่สวนสแครมมีมันตกต่ำไม่ใช่เป็นเพรเด็กแต่เป็นเพราะมีครูอย่างแกเ โทษว่ามันเป็นความผิดของแม็กซ์ความผิดของวงการความผิดที่สกายไม่กับอเมริกากับเธอสักทีได้ไหมเคยโ้ษว่ามันเป็นความผิดของเธอบ้างเหรอที่เธอกดดันจนเ้าต้องเป็นแบบนี้แต่ที่เต็มตายไปอะ่ะเธอคิดว่าฉันกับแม็กซ์ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอครูชอบทั้ง2เพลงเลยนะเก่งมากดูเฉพาะเพลงแรกนะโอ้โหตอนที่เธอเฮดสตนนี่คือแบบโอ้โหสติลได้โชมากขโมยสินสุดพวกครูแค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเทนั้นแลหละหลักๆคือเธอต่างหากที่ตั้งใจพยายามจนทำมันได้ แล้วครูบอกกันเลยว่าปีนี้แชมป์แน่นอนเธอคิดว่าเธอได้ใแล้วคําว่าเมียน้อยมันจะออกไปจากชีวิตเธออย่ไม่มีทางเธอคิดว่าเธอจะได้ขึ้นสวรรค์ได้เป็นคุณหญิงเธอฝันไปเหรอเธอทําทเรื่องชั่ ว, วแบบนี้ป่านนี้ท่านรู้หมดแล้วมันจะมั่วได้ยังไงในเมื่อฉันมีหลักฐานท่านส่งหลักฐานป่านนี้นะท่านรู้เรื่องเธอหมดแล้วแกรู้ไหมไอ้ป่านะมันขึ้นชื่อเรื่องกลับไม่ปล่อยแล้วสมัยมันเป็นตำรวจนะ มันคอยขัดแข้งขัดขาฉันอยู่ตลอดตริ่งตอนนี้แกปล่อยให้มันมาเป็นทีมงานรักษาฟ้าปลอดภัยได้ยังไงว่ากูจะกังวลทําไมฮะตราบใดที่ผมยังอยู่ฝั่งคุณ ผ, ผมก็รายงานความคลื่อนไหวของมันให้คุณได้รู้ก่อนอยู่แล้วผมได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเพียง7ดวันเท่านั้นแบ็กเซิเ์ตเบอร์กก็เข้ายึดสถานทูตสถานทูตอิสราเอล